เพราะฉะนั้นการที่มณสิกาปฏิจจสมุปบาทในความเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยนี้ก็คือการพิจรารณาการใข้ครวญโดยความเป็นอนัตตาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนนะซึ่งข้อความในปฏิจจสมุปบาท ต, ตอนนี้ไม่อ่านแล้วนะเพราะว่าฟังมาเยอะแล้วทีนี้เลยไปในหน้าสามร้อยสิบสามต่อไปในตัวตัว น, วนา น, านนะว่า บุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยการมนสิการเห็นสังขารเป็นของว่างเปล่านะเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ด้วยการมานสิการพิจารณาสายใจถึงสังขารว่าเป็นของว่างเปล่าคําว่าว่างเปล่าในที่นี้คือบุคคลย่อมไม่ได้แก่นสารในรูปคําว่าแก่นเนี่ยนะไม่มาควาว่ารูปไม่มีแก่นว่างนั้นเถอะ แก่นสารในเวทนาคือบุคคลย่อมไม่ได้แก่นสารในเวทนาย่อมไม่ได้แก่นสารในสัญญาย่อมไม่ได้แก่นสารในสังขารย่อมไม่ได้แก่นสารในวิญญาณรูปไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นของเที่ยงรูปไม่ใช่ของเที่ยงเพราะฉะนั้นรูปจึงไม่มีแก่นสารต่างจากนิพพานใช่ไหมนิพพานเนี่ยเป็นของเที่ยงมันนิพพานจึงเป็น แก่นสารนะแล้วก็รูปไม่มีแก่นสารโดยแก่นสารแห่งที่เป็นสุขไอ้สุขจริงๆจากรูปเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นสุขเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยไม่ได้มีความสุขในตัวของเขาอ่ะนะเพราะมีความอาพาธมีความแปรปรวนบีบคั้นโดยสาระแห่งแกน่แกนสารที่เป็นอัตตาในรูปเนี่ยนะค้นหาอัตตาที่เดรัจฉีคิดขึ้นไม่มี หรือว่าโดยความเป็นของเที่ยงถามว่าสาระคือความเที่ยงมีอยู่ในรูปไหมพระองค์บอกว่าถ้าหากว่ารูปมันเที่ยงแม้สักเท่าก้อนขี้วัวเล็กๆอันนี้นะแม้การประพฤติพรหมจรรย์ก็จะไม่พึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์จะเกิดขึ้นแต่ว่าแม้ที่เที่ยงแม้กระทั่งเท่าก้อนขี้โคเล็กๆ ก, ก็ยังไม่มีหรือไอ้ที่เที่ยงยั่งยืนเท่าโดยที่สุดแม้เท่าฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยนะถ้ามีเที่ยงสักอันหนึ่งเนี่ยนะการประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ ไม่เกิดอย่างแน่นอนแต่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงนั่นเองอนนะและโดยความเป็นของยั่งยืนรูปไม่มียั่งยืนหรือว่าโดยความเป็นของมั่นคงนะรูปที่มั่นคงเนี่ยไม่มีหรือโดยความเป็นของไม่แปรผันเป็นธรรมดาอันนี้ก็คือเอาไตรลักษณ์ประเภททุกขังโดยเอไม่ใช่ขอไโดยความเป็นอ น, นิจจมาที่บาอนตตาานะ ที่เราจะรู้ถึงความไม่มีแก่นสารของรูปคําว่าอนัตตาคืออะไรคือไม่มีแก่นสารรูปเป็นอนัตตาเพราะรูปไม่มีแก่นสารทีนี้มันไม่มีแก่นสารยังไงคือไม่มีแก่นสารโดยความเป็นของเที่ยงไม่มีแก่นสารโดยความเป็นของสุขไม่มีแก่นสารโดยความเป็นของยั่งยืนเป็นของมั่นคงหรือว่าเป็นของที่ไม่แปรผันเป็นธรรมดาแต่สิ่งเหล่านี้แปรผันเป็นธรรมดาเพราะฉนนั้จะเข้าใจอนัตตาตรงนี้ได้ก็ต้องรู้จักอนิจจัง ถ้ารู้จักอนิจจังตรงนี้แล้วก็เอื้อมไปเข้าใจอนัตตาหรือสุ ญ, ญาตาไม่ยากนะสัพเพสังขาราอนิจจาหรือว่าอนิจาวัตสังขาราอนิจาวัตสังขาราอุปทวายธรรมิโนปชิตวานิรุชันติเตสังโมปสโมสุโคเนี่ยนะสังขารทั้งหลายเนี่ยนะไม่เที่ยงเนาะคือ แ, แ, แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะมันไม่เที่ยงแต่ว่า อุปาทวยะเนี่ยนะมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปแต่บุคคลที่เข้าไปสงบระงับสังขารนี้ได้เป็นสุขระงับยังไงอะไรเป็นเครื่องสงบระงับสังขานี้จริงๆนั่นแหะนิพพานนั่นแหละเป็นเครื่องสงบระงับสังขารเหล่านี้จริงๆแต่นิพพานที่บุคคลจะแทงตลอดได้ก็ต้องอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดจึงจะแทงตลอดนิพพานก็คือการแทงตลอดอริยสัตว์ได้นั่นแหละ สงบประงับได้จริงๆริงไหนะเอาสังขารก่อนครับท่านอธิบายสังขารยังวงแคบกับวงกว้างให้ดูหน่อยอะไรกันแน่ครับสังขารนี่คำว่าสังขารในที่นี้ไม่ที่งสังขารไม่ได้ยินมาเยอะแล้วคำว่าสังขารในที่นี้ตาก็เป็นสังขารสีที่เห็นก็เป็นสังขารคําว่าสังขานี่ก็คือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นตาก็เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นตาก็เลยเรียกว่าสังขาร สีถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสีก็เลยเป็นสังขารจากครูวิญญาณก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นจากครูวิญญาณก็เรียกว่าสังขารอะนภาษาก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นภาษาก็เป็นสังขารเวทนาก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก็เลยเรียกว่าสังขารเนี่ยนะเพราะนั้นสิ่งใดที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นอาศัยการเกิดขึ้นสิ่งใดที่อาศัยการเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความคลายไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าจะเข้าใจสังขารง่ายๆอย่า ง, ยางอย่างทั่วๆไปไม่ได้แล้วกร็กร่างกายนี้เราก็เห็นชัดอยู่แล้วครับว่าไม่เที่ยงอ่ะแล้วถ้าอย่างนี้เข้าใจแค่นี้ดีไหมมันก็อยู่ตั้งหลายปีอ่ะนะคือถ้าหากว่าเอาแบบคร่าวๆแบบนั้นนะก็ศึกษาธรรมะก็ประโยชน์ <experiments. S 2> ไม่ค่อยมากนะักถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้น พราะมันเห็นกันอยู่แล้วอ่ะถ้ารู้แค่นี้โอ้คนเราเกิดแก่เจ็บตายเงนะรู้มานานแล้วถ้ารู้อย่างนี้ก็ยังนึกไม่ออกเลยเอ้จะ บ, บรรลุธรรมะกับเขาได้ยังไงก็ไม่รู้นี่ น, น, นะะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นหนทางเป็นแนวทางต่อไปอย่างเช่นว่าสังขารคือร่างกายเนี่ยนะร่างกายจิตใจนามธรรมรูปธรรมอันนี้แปลแบบคลุมคลุมแต่ถ้าหากว่าจะเรียนรู้เท่านี้นะพระไตรปิฎกเนี่ยโอ้โหสบายมากเลยนะเก็บเข้าหีไปเลยเก้าสิบ ครึ่งอเออไม่ใช่เกสิบเล่มครึ่งอ่ะเนี่ยนะเอาเออกไปเลยเหลือไว้หน่อยเดียวพอเพราะอะไรเพราะในส่วนอื่นๆนี่ก็แยกแยะคําว่าสังขารให้เห็นนั่นเองเนี่ยนะแยกแยะคําว่าสังขาร น, นี่แหละสังขารจะนับหนึ่งก็ได้นับสองนับสา ม, น, สามนับสี่นับหก็มาขยายแยกแยะให้ละเอียดแม้กระทั่งรูปก็มาขยายมาพามาซอยมาแยกแยะให้ละเอียดไปเลยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจให้ละเอียดลึกซึง้ง เพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าจะพูดรวมๆเนี่ยนะโอ้ยมันยังไงอ่ะมันยังไม่เห็นเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเลยมันเออมันก็เกิดแก่เจ็บตายมันธรรมดานี่แหละไอ้ธรรมดาของคนที่มีปัญญาเขาเขาเห็นธรรมดานี้แล้วเขาแทงตลอดอริยสัจไอ้ธรรมดาของเราก็คือมันมันยังไงอ่ะธรรมดาของเราก็คือไม่ต้องไปสนใจมันมากหรอกมันเป็นอย่างั้นแหละแปลว่าไม่ต้องไปสนใจมันแต่ถ้าธรรมดาในธรรมะเนี่ยนะ อย่างที่บอกว่าอนิจจังสังคตังปฏิจจธรรมังวยธรรมังเนี่ยนะวยธรรมังขยธรรมังวิราคะธรรมังนิโรตธรรมังธรรมะตัวนั้นแปลว่าธรรมดาไอคำว่าธรรมดาในที่นี้เนี่ยหมายคำว่าเขาเป็นอย่างนั้นเองวันสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ควรมีอุปาทานในขันเหล่านั้นนั้นถ้าซอยขยายละเอียดได้เท่าไหร่ ก็จะเห็นความเป็นธรรมดาของสิ่งนั้นมากขึ้นเมื่อเห็นธรรมดาหรือเห็นความเป็นไปของสิ่งนั้นมากขึ้นก็จักวางใจในสิ่งนั้นว่าเขาเป็นเช่นนั้นแหละสังขารทั้งหลายเขาเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อรู้ว่าสังขารทั้งหลายเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเข้าไปมีอุปาทานดีไห ม, ไมผู้ใดที่มีอุปาทานในสิ่งเหล่านั้นก็ก่อทุกข์อยู่ร่าไป แล้วสิ่งนั้นนั้นมันไม่มีสาระนะมันก็เหมือนกันนั่งเล่นฟองน้ําอ่ะ น, ะท น, ะ, นะทำให้มีฟองน้ําเสร็จอ้าวฟองน้ําก็แตกแตกแล้วทําให้มีฟองน้ําใหม่ก็นั่งเล่นอ่ะนะเฮ้ยมันก็อยู่อย่างนี้ไม่มีจบมีสิ้นสักทีหนึ่ ง, งแต่ถ้าสําหรับคนผานทั้งหลายคนที่มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกัน้นคนที่มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ก็จะเห็นว่าสิ่งนี้แหละเป็นสุขแต่พระริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่มีสติมีปัญญา สั่งสมประสบการณ์สั่งสมบุญญาบารมีมามากเขาจะเห็นว่าเป็นของที่มันเหมือนของเด็กเล่นนะน ะ, ะนะมันเหมือนของเด็กเล่นจริงๆเลยเนะมันเท่านั้นเองนะปั้นมันจะไปสนุกอะไรเขาบอกว่าถ้าไ อ, อความสุขแบบนี้เนี่ยมันสุขไม่นานถามว่าผลของสิ่งเหล่านี้มีไหมเมื่อเรายึดติดยึดถือในสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจตัณหาอุ ป, ปาทานมีผลไหมะนะกรรมปัจจัยต้องมั่นคงนี่นะ เพราะว่าการใคร่ครวญถึงความสิ้นไปความเสื่อมไปทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าระดับอนุปัสนาถามว่าการใคร่ครวญในระดับอนุปัสนาเพื่อประโยชน์แก่อะไรเพื่อประโยชน์แก่การถอนวิปัสสาเนี่ย น, นะเมื่ออนุปัสนาทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะละความสําคัญหมายว่าเป็นของเที่ยงเมื่อพิจารณาโดยความเป็นทุกข์จะละความสําคัญหมายว่าเป็นสุขเมื่อตามพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา อย่างที่ว่าไปเนี่ยนะก็ละความสำคัญหมายว่าเป็นอัตตาเมื่อพิจามเห็นแบบนี้ก็จะเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ไม่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ก็จะคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้ไม่กำหนัดมักไม่มกมุ่นในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่กำหนัดก็จะเห็นความดับเมื่อเห็นความดับก็จะสละคืนจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อสละคืนในสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็พ้นจากอุปาทานในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถามว่าเอกภูตที่จะพ้นจากอุปาทานในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะพ้นได้จริงๆในขณะไหนขณะอรหัตตมรรคเกิดขึ้นนี่แหละจึงจักพ้นได้จริงๆแต่ของเราไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้สัทีรู้อย่างนี้ฟังอย่างนี้ไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้สัทีนึงถามว่าทําไมจึงไม่พ้นกําลังเราไม่พอรักมองเห็นฟังแต่ว่ากระโดดข้ามไม่ได้นะมองเห็นแต่กระโดดไม่ได้ถามว่าทำไมอ่ะ พอเรียวแรงมันน้อยเพราะเราไม่มีกําลังศัทธาพระไม่มีกําลัง ส, สติพระไม่มีกําลังวิริยะพระไม่มีกําลังสมาธิพระไม่มีกําลังปัญญาพระไม่มีกําลังพอที่จะถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆถ้าแน่จริงก็ถอนได้ตลอดไปแต่อันนี้มันไม่มีกําลังพอที่จะถอนได้รู้ว่ามันเป็นของสแสลงแต่มันอร่อยพระทหารทั้งหลายท่านก็รู้ว่ากรารทั้งหลายนี่มันของอร่อย แต่มันอร่อยน้อยมันอร่อยไม่นานอ้าท่านจะมีอะไรถามไหมครับสังขารมืของไม่เที่ยงก็คงจะไม่คิดแคบๆอย่างเราคิดแต่ก่อนนี้นะสำหรับผู้ที่ศึกษาไม่ต้องไม่มีปัญหาเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านเข้าใจอยู่แล้วสังขารธรรมเมื่อพูดถึงบอกว่าเออร่างกายนี่มันไม่เที่ยงนี่ไม่พอครับไม่พอถามว่ามันไม่เที่ยงจริงไหมร่างกายใช่แต่เรื่องรูปธรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้แม้แต่นามารมก็ เป็นสังขารรูปธรรมก็เป็นสังาขารนามธรรมก็เป็นสังขารแต่ทีนี้ทั้งรูปทั้งนามเนี่ยนะก็ควรที่จะขยายแยกย่อยไปอีกเนี่ยนะว่านามบางอย่างเป็นกุศลอกุศลและอพยากตะนามบางอย่างเป็นสุขเวทนานามบางอย่างเป็นทุกขเวทนานามบางอย่างเป็นอุเบกขาเวทนานามบางอย่างมีปีต like ิประกอบนามบางอย่างไม่มีปีติประกอบนามบางอย่างมีวิตกนามบางอย่างไม่มีวิตกนามบางอย่างมีวิจารณ์ไม่มีวิจารณอยังไง นามบางอย่างเนี่ยนะอ่าเป็นอุปาทานขันนามบางอย่างทำให้ขันเกิดนะนามบางอย่างเป็นกิเลสนามบางอย่างเป็นอารมณ์ของกิเลสนามบางอย่างพ้นจากกิเลสอย่างเง้นะก็ต้องมาแยกแยะซอยละเอียดในเรื่องนามมาทำเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคำว่านามเนี่ยมันเป็นหัวข้อ เ, ขเรียกว่ามาติกามาติกานี่แปลว่าแม่บทในทุกกะมาติกานามมันจะรูปัญจะนะนามทั้งนามทั้งรูปแต่ละอย่างก็เป็น เป็นมาติกาเป็นหัวข้อที่จะต้องแยกแตกขยายออกไปนามบางอย่างเป็นรูปนามบางอย่างเป็นเวทนาขนันสัญญาขนันสังขารขนันและวิญญาณขนันนามบางอย่างเป็นมานายตนะนามบางอย่างเป็นธรรมายตนะนามบางอย่างเป็นจกัจกขุวิญ ญ, ญาณธาตุเป็นสโสตวิญญาณธาตุคารณชิวหากายะมโนธาตุธรรมธาตุ ม, มนโนวิญ ญ, ญาณธาตุนามบางอย่า ง, งเป็นมนิณีสีนามบางอย่างเป็นชีวิตตินทรีย์นามบางอย่างเนี่ยนะ ประกอบกับสุขประกอบกับทุกข์ก็ต้องไปแยกแยะขยายย่อยให้ละเอียดไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้นะป่านนี้เป็นแนวทางที่เราจะต้องศึกษากันต่อไปถ้าหากว่าเราบอกว่าโอ้ไม่ต้องศึกษามากมายขนาดนั้นก็แสดงว่าเรายังยินดีในความไม่รู้นะยินดีในอวิชชาผู้ที่ยังยินดีในอวิชชาก็จะมีอะไรใช่ไมยินดีในความไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ตาหนิเลยนะ ถามว่าทำไมพระ อ, องค์ไม่ตําหนิเพราะพระ อ, องค์สังเวทใจคือสลอดสังเวชใจโอ้สัตว์ทั้งหลายเน้อเหมือนปลาในน้ําน้อยมีแต่ทุกข์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าทีนี้เอ๊ะนะพระพุทธเจ้าท่านสังเวชใจแล้วนะของเราแเราไม่สงสารตัวเองหรืงไงนะจะทุกข์ต่อไปในภายภาคหน้ายินดีที่จะมีความไม่รู้ต่อไปเพราะอาวิชชานี่จึงเป็นอารมณ์ของตัณหาได้ ไม่น่าเชื่อนะว่าตันหาก็ฝักฝ่ายความโง่เหมือนกันยินดีที่จะไม่รู้เอ๊ยไม่รู้อย่างนี้ก็ดีแล้วไม่เห็นมีอะไรเนี่ยเหมือนกันอาง น, นี้นะถ้าเรามองไม่เห็นอริยศาสตร์นี้เรายินดีไหมแบบนี้แน่ใจนะว่าไม่ยินดีแต่ไปถามเวลาอื่นเนี่ยนะเวลาฟังคําเนี่ยนะมันมันมันสางไข่มาเพอสมควรเนีนะนะอาศัยคําสอนเนี่ยทําให้สางไข่มาพอสมควรนะแต่ถ้าไปอยู่ในเวลาอื่นเลยนะกําลังทานอาหารอะไรกินเลี้ยงอย่างเพลิดเพลินเนี่ยนะ รู้ไหมจะเอาอริยสัตว์ตอนนี้เอาไว้ก่อนไวก่อนเดี๋ยวกินเรียงกันมันก็มีความยินดีอยู่หรอกเพราะาวิชาไ อ, า ว, าอาวิชามเก็ร่วมกับอกุศลจิตทั้งหมดเลยอันนั้นในข้ออุปมานะในหน้าสามรอยสิบสี่เนี่ยนะมาดูข้ออุปมาของของขันแต่ละขันแต่ละขันเนี่ยดีนะ่นนะที่บอกว่าวิญญาณไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารเนี่ยนะก็คือโดยสาระ แก่นสารที่เป็นของเที่ยงโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นสุกโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นอัตตาโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นของยั่งยืนโดยความเป็นของมั่นคงหรือโดยความเป็นของไม่แปรผันเป็นธรรมดาแล้วอุปมาว่าไม้อ้อไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นไม้ละหุงไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นไม้มาเดื่อไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่น ไม้ทองหลางไม่ม hmm. right. so, ีแ right, ก่นไร้แก่นปราศจากแก่นต้นงอนไก่ไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นเหมนฟองน้ำไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นสารต่อมน้ำไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นสารพยับแดดไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารต้นกล้วยไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสาร เงาเงาไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารนะจะเห็นมีอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าฟองน้ำอุปมาเหมือนอะไรฟองน้ำรูประขันต่อมน้ำเวทนาขันพยับแดดสัญญาขั น, ญญขนต้นกล้วยสัง ข, ขารขันนนะเงาตัวนี้มาจากมายากลนั่นเอง มาจากคําว่ามายากลอันนั้นเป็นวิญญาณขันเน่นะสิ่งเหล่านี้ไม่มีแก่นสารฉันใดเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นของเที่ยงโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นสุขโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นอัตตาโดยความ โดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นของยั่งยืนโดยความเป็นของมั่นคงโดยความเป็นของที่ไม่แปรผันเป็นไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีแกนสารคือความยั่งยืนเป็นต้นเลยเห็นะอันนี้เรียกว่าพิจารณาสุญญาตาโดยอาการสองเนี่ยนะแต่ถ้าอีกในท่านหน้าถัดไปนั้นเป็นการพิจารณาสุญญาตาโดยอาการ น่าจะเอาไว้กล่าวครั้งต่อๆไปนะสุญญตาโดยอาการหกคำว่าน่ไอ้ครับทั้งนามทั้งรูปเป็นของอาศัยซึ่งกันและ ก, กันอ่างนั้นเถอะเหมือนกับคนง่อยเปรี้ยกับคนตาบอดอย่างนั้นไอ้ง่อยก็โอ้ยเดินไม่ได้แต่มีตาเขาว่างนันไ อ, ไอ้บอดก็เดินได้แต่ว่ามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเขาก็อาศัยกันและกันไปด้วยกันนั่นแหละหรือเหมือนกับเรือเรือที่ทั้งเรือท่าเรืออาศัยคนคนอาศัยเรือก็ไปด้วยกันนั่นแหละเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นนะทั้งนามทั้งรูปนี้อาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปเป็นดําเนินไปอยู่อย่างนี้ตลอดสิบปียี่สิปีสาสิปีหรือแม้กระทั่งร้อยปีบ้างเกินบ้างก็ยุคนี้นะไม่มากนะักไม่มากนะักแต่ก็อาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปอย่างนี้แต่ก็มาแยกย่อยอีกครั้งหนึ่งว่าเออในบรรดานามและรูปนั้นนะรูปบางอย่างเกิดจากกรรมรูปบางอย่างเกิดจากอุตุรูปบางอย่างเกิดจากอาหาร ร, รูปบางอย่างเกิดจากจิตนะ นามนามบางอย่างเป็นผลของกรรมนามบางอย่างเป็นกรรมนามบางอย่างเป็นกิริยายกย็มาแยกแยะในความเป็นเหตุเป็นผลไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าความจีรังยั่งยืนมั่นคงในสิ่งเหล่านั้นไม่มีเลยถามว่าการพิจารณาอย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรเอาเพื่อประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าแสดงคําสอนเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไร ดูที่ว่าถ้าพูดสูตรนี้แล้วจะนึกสูตรนี้ได้ว่าคคำถามก็ถามว่าไงเห็นโลกอย่างไรมัดจุราชจึงจะมองไม่เห็นก็บอกว่าผู้ที่เรียนรู้เรื่องรูปปัจฉันจนตลอดสายหมดแล้วเนี่ยนะถามว่าทำไมเขาไม่ไปฆ่าตัวตายล่ะจะได้ไปพ้นทศที่ความทุกเหล่านี้เนี่ยนะบอกว่าพระอรหันต์จะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาด คนที่ยังฆ่าตัวตายนี่แสดงว่าไม่ใช่พระอริยะขนาดนั้นนะขนาดฆ่าเนี่ยไม่ใช่อริยะแต่หลังจากฆ่าแล้วอาจจะเป็นอริยะได้แต่ว่าก่อนฆ่านั้นเนี่ยคนนั้นจะไม่ใช่อริยะแน่นอนฉันนาก็ดีตรงที่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็บำรุงเลี้ยงดูกายนี้เหมือนกับถามว่าเรามีแผลเนี่ยยินดีไหมเคยเคยทาแผลไหมรักษาแผลทำไมประคับประคองแล้วเกินโอ้ยดูแลอย่างดีเลยนะ ชันนาพระรยเจ้าทั้งหลายท่านก็ประคับประคองกายเหมือนกับประคับประคองแผลนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าถ้าหากว่าอะไรที่มันเกินเกินไปเดี๋ยวแผลมันฉีกแผลมันเน่ามันระบากคนอื่นอีกเหนไมันก็ดูแลประคับประคองกันต่อไปแต่ก็รู้ว่าท่านปล่อยขันนี้แล้วท่านจกไม่ยึดขันอันใหม่เรียกว่าพระอริยเจ้าหรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกับไฟกองโตที่เอาฟืนมาสมสมสมสมสกันนั้นนแหละ เมื่อสมกันที่สุดแล้วหมดฟืนไม่มีฟืนไม่มีเชื้อไฟดับแล้วก็หมดกันเลยแต่ปุตุชนทั้งหลายอ้าวงั้นอัตตาก็ศูนย์สิแต่ปุตุชนทั้งหลา ย, าตตาลายผู้สําคัญผิดเนี่ยนะก็คิดว่าเอ้มันศูนย์มั้งพรนะอรหันต์เนี่ยศูนยะ์ะก็อาจจะไม่แยบคายเพราะเข้าใจว่าไอ้ความเป็นพระอรหันต์รูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณกันแน่ที่เป็น อรหันอีกครั้งหนึ่งมไม่ได้แยกแยะนึกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยู่บนพื้นฐานของที่เรียกว่าอัตวาทุปาทานเนีย่ยนะถ้าสำคัญโดยความเป็นอัตตาเรียกว่าอัตวาทุปาทานแลยนะจะคิดเลยทงต่อไปว่าถ้าอรหันต์ตายแล้วศูนย์แต่ถ้าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอัตวาทุปาทานเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยกองไฟก็ดับไปเนีย่ยนะ แต่ที่ระวังที่มันลุกไอกองไฟที่มันลุกอยู่เนี่ยนะไฟนี่ร้อนหรือเย็นไฟนี่ร้อนนะเขบอกเพราะฉะนั้นจักขปูเป็นของร้อนนะหูก็เป็นของร้อนจมูกก็เป็นของร้อนลิ้นก็เป็นของร้อนกายก็เป็นของร้อนใจก็เป็นของร้อนแต่ท่านไม่ใส่ฟืนใส่เชื้อคือตันหาให้สิ่งเหล่านี้อีกแล้วเ <behind> มื่อเอกไฟเ <bå S 1> <ๆ S 2> หล่านี้ดับท่านก็ไม่เอาไฟกองใหม่มาอีกนะเมื่อจักรสุอันนี้ดับท่านไม่หาจักรสุอันใหม่ เมื roommate, ่อหูอันนี้ดับท่านไม่แสวงหาหูอันใหม่เมื่อจมูกอันนี Lad ้ดับท่านไม่หาจมูกอันใหม่เมื่อลิ้นดับท่านไม่คิดหาลิ้นอันใหม่เมื่อกายดับไม่คิดหากายอันใหม่เมื่อใจดับไม่คิดหาใจอันใหม่แต่ว่าใจอันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นไปตามปัจจัยอย่างนี้จนกว่าจะดับแต่ว่าเมื่อดับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อท่านหมดเชื่อแล้วอันใหม่ก็ไม่เกิดเรียกว่าปฏิสนธิก็ไม่ ไม่มีการยังลงการยังลงสูคันแห่งบารดาก็ไม่มีหรือว่าเรียกว่าชาติไม่มีเมื่อชาติไม่มีชราก็ไม่มีเมื่อชราไม่มีมรณะก็ไม่มีมรณะไม่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตก็ไม่มีความดับแห่งกองทุกข์ก็จักหมดได้ด้วยอาการอย่างนี้แต่ปุถุชนหาเป็นเช่นนั้นไม่ทิ้งกายอันนี้หากายอันอื่นถ้ากายอันอื่นคล้ายๆอย่างนี้ก็ดีไป ถ้ามันหนักกว่านี้นี่ดีโอ้ยสาหัสเหมือนกันนะเมืาเกอเนี่ยไปเห็นไอ้เจ้าขี่เรืออีกตัวหนึ่งบอกโอ้ยมีหนามหนักนะสาหัสแล้วนะแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ไปนั่งเกาโดยของเราเนี่ยไปโดนหนามหรือว่าหญ้ามันโดนหน่อยมันก็คันจนต้องหาอยู่หายามทาทาอันนี้มันคันทั้งตัวมันจะทํำยังไงนะโอ้สั ก, น, กนะนะถ้าหากว่าอยู่เป็นแบบนี้นะเออมันก็ไม่ไหนมีอะไรมากมายรอกดีละนับว่า สำนวนหว่าคนมีบุญเหมือนกันเถอะมีบุญนะนั่งอลมพัดเย็นสบายไม่ให้ทุกข์ร้อนอะไรปวดไม่เหนื่อยเดี๋ยวถึงเวลาก็มีอาหารกิน <c oughs> แต่จะเป็นแบบนี้ได้นานไหมล่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้นานก็ดีแล้วแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นานเพราะผลของบุญก็ไม่เที่ยงเป็นของน้อยเป็นของชั่วระยะหนึ่งถามว่าทาไมจึงน้อยอ่ะก็คิดดูว่าใจเราที่มันเป็นบุญกับเป็นอาบุญนี่ไหนมากกัน ถ้าบุญมากกว่าแสดงมันนั่งได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องไปสู้ต่อไป